การเดินทางแสนวิเศษของซินแบบปีศาจตาเดียวสวัสดีฉันทริกเออสวัสดีนายไม่ค่อยพูดเหรอเออใช่ไม่ค่อยนี่แท็กทำความรู้จักเขาสิแต่ฉันยังไม่รู้ชื่อเขาเลยใช่นายทำให้เขากลัวทริกฉันไม่ทำให้นกกระสากลัว ฉันทำให้พวกมนุษย์บนเรือกลัวตังหากละ่ะนายน่าจะเห็นหน้าพวกเขาตอนที่ฉันแย่งแซนวิชมาจากมือพวกเขานะหยุดทําแบบนั้นเลยนะนี่คือเหตุผลที่ทําให้พวกเขาไม่ให้อาหารพวกเราอีกต่อไปพวกมนุษย์ขี้กลัวเองไม่จีบความผิดฉันสักหน่อยนึงนี่เพื่อนตัวน้อยนายชื่ออะไรเออฉันโทสวัสดีโทนี่ทิกและฉันแท็กทําไมนายดูกลัวๆล่ละ ทำไม่ันถึงจะไม่กลัวละ่ะนายตัวใหญ่กว่าฉันตั้งเยอะเนะ่ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกหนะ้าแต่ก็น่าจะมีสิ่งที่ตัวใหญ่กว่านายเสมอมันเป็นเรื่องธรรมาชาตินาจะกลัวทุกคนเพราะสาเหตุนี้ไม่ได้นะไม่มีใครตัวใหญ่ไปกว่ามนุษย์ฉันอยากเป็นมนุษย์โอ้นี่ไม่ใช่เรื่องจริงมันมีสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่ามนุษย์มากๆบนเกาะประหลาดเกาะหนึ่ง แล้วนายเน่ะไม่เคยได้ยินเรื่องพีศศากตาเดียวเหรออะไรนะโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงลอกหน้าฉันจะเล่าเรื่องความกล้าหาญให้ฟังและนายจะได้รู้ว่าความกล้าหาญสาคัญกว่าเรื่องตัวใหญ่รู้ว่าเล็กโอ้โอ้สินแบทฉันรู้นี่เป็นเรื่องของสินแบทแน่นแน่ <c oughs> ใช่เรื่องของสินแบทไปกันเลยไปหาพิศศากเหรอ ไม่ไปที่หม้อวิเศษกันน้ำนำ้สะอาดและสีฟ้าจงให้เราเห็นเรื่องราวต่างๆยินดีต้อนรับโทรยินดีต้อนรับสู่ซินแบตบ้านของฮีโร่ของเราซินแบตเอิมแท็กครั้งที่แล้วฉันได้ฟังเรื่องของซินแบตเขาเป็นมนุษย์นะเขาน่ะเป็นมนุษย์เดี๋ยวก่อนนะ เลื่อนไปทางขวานหน่อยหนึ่งแล้วเรื่องเราก็เป็นแบบนั้นละใช่นี่คือซินแบตกลาสีซินแบตหลังจากการเดินทางครั้งที่แล้วซินแบตก็กลายเป็นคนรวยเขาสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับตัวเองและช่วยเหลือผู้คนมากมายและหลังจากนั้นซินแบตก็กลายเป็นคนดังนี่ซินแบตฉันและคนอื่นๆกาลังจะล่องเรือไป布าโซล่า จากท่าเรือนั้นเราจะทําการค้าขายสินค้านายอยากไปด้วยไหมโอ้ใช่ฉันไม่ได้ล่องเรือมานานมากแล้วฉันจะไปรวบรวมสินค้าที่แบกแดดแล้วไปขายโอเคนะโอเคเราจะออกเดินทางอีกอาทิตย์หนึ่งนะสินแบกบล่องเรือออกไปเป็นอาทิตย์น้ํานิ่งสงบมากพวกเขาล่องเรือไปเรื่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดพายุขึ้นมา โปรนะช่ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราด้วยอย่าทิ้งฉันกับตันหนุรอก่อนาช่วยด้วยกับตันอย่าทิ้งพวกเราโอ้ไม่เด of ี๋ยวก่อนฉันจะหมุนเรือกลับ ลมพัดแรงมากเลยฉันหงวนเรือไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเอาเรือลำเล็กไปให้พวกนายเอาไปพวกพ่อขาโชคดีได้เรือไปแล้วพวกเขาก็รีบขึ้นเรือแต่ว่ากระแสน้ำได้นำเรือไปอีกทงางหายเรือต่อไปเอาชีวิตรอดให้ได้ ไม่นะพวกเรากำลังจะตายที่นี่เรามีเรือเราจะตายได้ยังไงความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเราจะพายต่อไปจนกว่าเราจะถึงเกาะพวกเขาพายเรือต่อไปทั้งวันทั้งคืนแต่ก็มีน้ำอยู่ทุกคนทุกแห่งและในที่สุดโ อ, โอ้ตื่นทุกคนเรารอดแล้วนั่นไงพื้นดินเร็วเข้า โอ้ใช่นั่นมันพื้นดินแต่ว่าอย่าเพิ่งวางใจไปนั่นมันเกาะล้างอาจจะมีเรื่องราวน่ากลัวอยู่ก็ได้นะเกาะล้างเหรอนายหมายความว่ายังไงเกาะล้างน่ะจะไม่มีคนอาศัยอยู่ซึ่งนั่นน่ะมันไม่ดีเลยนะสินแบดพวกนายได้ยินนั่นไหมเดี๋ยวก่อนนะขอฉันเข้าไปดูใกล้ๆหน่อย เฮ้พวกนันตัวอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะปล่อยฉันแอปล่อยฉันปล่อยออกไปช่วยด้วยอ๋อนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวก่อนนะยังไงก็ตามพวกสัตว์นี่ยก็กลัวอยู่ติ่งเดียวซึ่งมันเหมือนกันฮะไปเลยเจ้าสัปปะลาดปล่อยพวกเราไปเฮ้ยออกไป คุณพระเจ้าเราต้องรีบไปกันแล้วในเดี๋ยวนะฉั น, นเห็นควันแต่ครจะอยู่บนเกาะ น, นี้ล่ะไม่เราไม่ควรไปที่นั่นกลับกันเถือนะแต่นั่นอาจจะเป็นคนและอาจจะมีเรือใหญ่เรือลำเล็กนะ่ไม่สามารถพ า, รากลับบ้านได้หรอกนะเพราะว่าถ้าพายุเข้ามาเรือเราจะจมฉันเห็นด้วยนะบางทีเขาอาจจะติดเกาะ อ, อยู่และต้องการความช่วยเหลือโอ้ นั่นมันประสาทอ้ตอนนี้เราปลอดภัยแล้วฉันพูดถูกไหมฉันไม่คิดแบบนั้นดูนั่นพวกพ่อค้าหน้าสงสารไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาโครงกระดูกลหรเนี่ยนั่นมันตกเป็นน้องตัวใหญ่แน่เลยนี่มันเหลือเชื่อมาก ในการเดินทางของฉันฉันได้เห็นซากของนกตัวใหญ่ที่ถูกโยนมาจากนกที่ตัวใหญ่กว่าฉันขอโทษนะที่ทำให้ผิดหวังแต่ว่าประสบการณ์บนเกาะล้างนี้นะ่ะมันสำคัญมากสำหรับฉันที่นี่ไม่ใช่ที่จะคุยกันนะไปจากที่นี่กันเถอะอ๋ออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนีแผ่นดินไหวเหรอทำไมมาเกิดตอนนี้เรากาลังจะเจอปัญหาใหญ่อะไรอีกเนี่ยนี่ นี่มันไม่ใช่แผ่นดินไหวนั่นมันตัวอะไรนะ่ะฉันหิวฮะวิง่งวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิงวว่งวิง่งอออยากกินฉันอยากกินฉันอออาหารโอไม ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่อาหารไม่ โอ้ฉันจะข่าแกโอ้เฮ้ดูนี่ฉันมีอาหารแสนอร่อยมันตามพวกเรามาได้ยังไงมันมองไม่เห็นเราด้วยซ้าฉันคิดว่ามันน่าจะรู้สึกจากการเดินพวกเราจากพื้นดินวิ่งต่อไปเฮ้ฉ ja ันเห็นเรือของพวกเราแล้วกันเรือกัน เขาขึ้นเรือและพายเรือออกไปแต่ปีศาจก็ยังตามพวกเขาอยู่มันโยนต้นไม้ลงไปแล้วทําไมมันไม่ปล่อยพวกเราไปมันเห็นเราได้ยังไงเราไม่ได้อยู่บนบกนะฉันคิดว่าเราเนะ่ยไม่มีเวลาหาคําตอบพวกนั้นหรอกนะโอ้นั่นไงมันมาอีกแล้วเกาะเรือเอาไว้ไม่นะสินแบศ กลับเรือไ่อย่ากลับมาช่วยตัวเองก่อนไปไปเจ้าปีศาจไม่เห็นฉันตกน้ำขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนะนั่นอะไรเ่ยแต่มันเกาะอีกเกาะหนึ่งนี่นะโอ้ฉันโชคดีอะไรแบบนี้นะสิ้นแบตว่ายน้ำไปที่เกาะเขาเหนื่อยมากเมื่อเขาว่ายน้ำถึงฝั่งเขาก็ได้หลับไป เขาคิดว่าปัญหาต่างๆจบลงแล้วจะกระช่นฮอเฮ้ยนั่นมาจากไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะจะคิดออกแล้วสินแบบใช้ความคิดของเขาและนำไม้มีหนามมาตั้งรอบของตัวเองพองูเลื้อยเข้ามาด้วยความเร็ว มันก็เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้ให้ตายเถอนะ่าฉันไม่เคยเห็นงูใหญ่ขนาดนี้ในชีวิตมาก่อนเลยเฮ้ยฉันต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ซิ้นแบบสร้างกรอกกำบังของตนเองด้วยไม้มีหนามและนั่งข้างในเป็นวันๆเขาไม่มีอาหารและเขาก็พร้อมลงและอ่อนแอลงแต่แล้ววันหนึ่ง โชคชะตาก็เข้าข้างเขานี่มันเรื่องจริงเหรอหรือว่าฉันฝันไปฉันกำลังจะรอดแล้วเฮ้ยทางนี้ช่วยฉันด้วยโอ้ีนานายเป็นบ้าหรือไงนายมาทำอะไรที่เกาะแห่งนี้เนี่ยเพราะว่าเกาะนี้เนี่ยมันมีมีงูเหลือมตัวใหญ่และอีกเกาะ น, นึง ก็แปลกประหลาดมากเลยมีปีศาจ ต, ตาเดียวอยู่ด้วยนะแต่ทุกอย่างก็ถูกลืมไปเพราะว่าฉัน เ, นเจอมนุษย์แล้วฉันคือกะลาสีซินแบตมาจากแบกแดดนายมาจากแบกแดดเหรอนายโชคดีมากเพื่อนเรากาลังล่องเรือ ก, กลับบาโซราและจากบาโซรานายก็กลับแบกแดดได้มาสิฉันมั่นใจว่านายจะมีเรื่องเล่ามากมายให้ฉันหาอาหารให้นายกินก่อนนะ นายผอมเหมือนโครงกระดูกเลยรียบไปจากที่นี่เธอนะน่าก่อนที่พวกเราจะถูกรวมกลายเป็นหนึ่งถูกต้องเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพ่อค้าคนอื่นอ๋อหลังจากการล่องเรือไปสักพักพวกเขาก็เจอเรือลำใหญ่ที่สามารถพาเขากลับบ้านได้น่าสงสารซินแบตของของเขาหายไปหมดเลยไม่หรอกนะ่าหลังจากที่ซินแบตกลับมาที่แบกแดดจากมาซรูรา เขาก็เจอกับตันและกับตันก็ดีใจมากที่เจอเขากับตันรู้สึกผิดที่ทิ้งสินแบตเอาไว้กับตันและพ่อค้าคนอื่นๆบนเรือก็ได้ขายสิ่งของของสินแบตไปหมดแล้วและสิ่งของของสินแบตนั้นมีคุณภาพที่ดีพวกพ่อค้าก็เลยได้ให้เงินกับครอบครัวของสินแบตพวกเขาให้เงินและทองกับสินแบตยี่สิบถุงด้วยกัน แล้วซินแบตก็ให้พ่อค้าคืนหนึ่งถุงแทนคำขอบคุณซินแบตได้ใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่และคอยช่วยเหลือคนอื่นๆว้าวนี่มันเป็นเรื่องที่วิเศษมากเล่ามาอีกเรื่องสิยังไม่ใช่ตอนนี้เจ้าตัวเล็กเรื่องน่าจะเล่าครั้งต่อไปนายพูดแบบนี้ตลอดเลย นายจะพักทำไมมอวิเศษทำให้เราเห็นทุกอย่างได้ก็ได้แต่มอวิเศษก็ต้องการพักเหมือนกันไปเถอนน่ะนายเป็นผู้เล่าเรื่องที่ดีนะแท็กฮ <c oughs> ฉันรู้นะฉันรู้บลาบลาบลา